รวมสิกขาบทที่มีในโกศิยวัค 1. โกศยะสิกขาบทว่าด้วยการทำสันถัดผสมใยไหม 2. สุทธะกาลกะสิกขาบทว่าด้วยการทำสันถัดโดยใช้ขนเจียมดาล้วน 3. ทเวพาคะสิกขาบทว่าด้วยการทำสันถัดโดยใช้ขนเจียมดำสองส่วน 4. ฉับภาษาสิกขาบทว่าด้วยการเก็บสรรถัดไว้6ปี 5. นิสีธนะสันทัดสิกขาบทว่าด้วยการทําสรรทัดสําหรับรองนั่ง 6. เอละกะโรมะสิกขาบทว่าด้วยการรับขนเจียม 7. เอรกะโทวาปณ ะ, ะสิกขาบทว่าด้วยการให้ซักขนเจียม 8. รูปียะสิกขาบทว่าด้วยการรับรูปียะ 9. ก้ารูปียะสังโวหาระสิกขาบทว่าด้วยการแลกเปลี่ยนรูปียะ 10. กาะยะวิกายะสิกขาบทว่าด้วยการซื้อขาย